มืกก่อกลุ้นซ้ายกุ้นขวามุ้นหนา้ากลุ้นหลังเคาดูแท่งไหม <c oughs> บาฮาลูกพี่ม า, ม, ามาเน่ยเหมือเศร้ามาไนี้สิหมุนปุ่มหนได้บ่เนี่ตัวสิ่ปับใดเลยฮะก็มาปั๊บใดเมื่อกี้นี่เลยเนี่ <c oughs> เอาลูกหลานมีอะไรก็ว่ากันนะแต่เนี่เอาบ่ายพระรับสินบอกมาอย่างพันเตอรัตนาสินก็ได้เอามาอย่างพันเตวีซุ่งวีซุ่งราคะนาทายะ ต่างใจจะมาทานสินะลูกลานะถึงจะเป็นศินนิดหน่อยศินช่วงการเวลาศินชั่วขณะหนึ่งก็เป็นศินเหมือนกับน้ําน่ยถึงจะหยดหนึ่งก็เป็นน้ําที่สะอาดถึงจะเป็นน้ํามากเต็มไปด้วยเต็มไปทั้งบอ่อทั้งบึงก็คือน้ําสกรปรกนะแต่น้ํา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 บูรีเล่าการพนันควรจะงดได้ดีที่สุดนะเพราะหลายพวกเราอยู่ในสถานการศึกษาควรจะเป็นบอบอ่หลอ่ลอลอลอมคนดีหลอคนดีหลอมคนดีเสกเป่าคนดีให้เป็นคนดีเพรา ะ, ะนั้นครูบาอาจารย์ควรจะมีศีลห้าไว้ถ้าไม่มีศีลห้าก่นเนี่ยเรื่องสุ ร, ราควรจะ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 กลัวจะเสียหมู่เสียเพื่อนกลัวจะไม่มีโมนะใครเป็นคนพูดคนโมรานคนโง่โง่พูดอย่างนั้นใช่ไหมคนที่กินเหล้าพูดอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยเชื่อตามคนที่เขากินเหล้าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่เชื่อตามเขาเนะ่ยหลวงพ่อพูดให้ฟังวันเกิดของหลวงพ่อเอ็นเนี่ยกับวันเกิดของคนที่กินเหลนะ้าเนี่อที่หลวงพ่ออินไม่กินเหลนะ้า กับคนที่กินเหลนะ้ามานับใส่การตัวซิเอาใครมาแข่งเอาใครมาแข่งกับหลวงพ่อหลวงพ่อเอ็นไม่กินเหล้ากับคนนั้นแหละกินเหลนะ้าเราจะจะเป็นคนอย่างงั้นเลยอย่างงั้นใช่ไหมเราจะจะเป็นคนกินเหล้าเพื่อจะได้หมูอย่างงั้นใช่ไหมคําพูดนี่ควรจะเปลี่ยนคําพูดหมา ย, ยได้แล้วถ้าใครกินเหลนะ้าเป็นคนชั่วเป็นคนเลว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 ถ้าไม่จริงคุณครูผู้พานำเด็กนักเรียนใครจะไปวัดหลวงตาอินเอามากี่คนรายชื่อมาเอาพูดสมาทานศีลทีละคนเว้ิว่าอย่างไง <c oughs> <c oughs> เอมันต้องเป็นอย่างนั้นขนาดหลวงพ่อจะไปสวดนมนต์ในที่สาคัญสำคัญนะหลวงพ่อยังเรียกพระมัดองค์ไหนที่จะไปเรียกมาซ้อมสวดนมนต์ให้ฟังหลวงพ่อจะเป็นคนนั่งฟัง ท่านวงไหนติดเอาออกนั้นสวดองค์เดียวเพื่อซ้อมให้มันเข้าใจเนี่ยหลวงพ่อสอนพระสอนเนรสอนอย่างงั้นนะอวกยังไม่ใช่บมูุมมมมูมุมหมมมูมุมมมมูมุมหม่มม่ได้เลยจไม่ได้มันต้องให้ชัดเจนเราอยู่ในชุมชนสังคมถ้าหากว่าไม่พูดไม่ได้เป็นไงอย่างพระนี่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 ถ้าเอาไปอย่างนั้นมันขายขีหนา้าขายขีหน้าใครละ่ะขายขีหน้าหลวงพ่อใช่ไหมละ่ะขายขีหน้าหัวหน้าใช่ไหมขายขีหน้าสมผานจะได้ว่าสมผานไม่ได้เรื่องเ อ, อไม่ได้ฝึกลูกน้องเลยเห็นไหมน่ะสวดมนต์ก็เตะซ้ายเตะขวาคนถึงเสียงสูงคนถึงเสียงต่ําเออผลผลยังผิดผิดถูกๆอีกต่างหากนี่แหละมันบอกยี่ห้อตัวเองใช่ไหมบอกยี่ห้อวัดป่านาคําน้อยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานนะ อ, อถ้าเอาลูกหลานเนี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 ออปัจจัยของนักเรียนกับครูพร้อมครูบาอาจารย์นักเรียนนะย อ, อ, อดที่ถวายหลวงพ่อวันนี้ทั้งหมด3ามพบาท78 7ดสิบแเจบาเจ็ดสบแปนะทหลวงพ่อมอบให้กับโรงเรียนนะเอาไปใช้ในโรงเรียนของลูกหลานเพราะว่าโรงเรียนของเราก็บางทีก็ออแป๊บ ไปนะกกน้ำล้วรั่วบ้างสายอยู่โรงเรียนขาดบ้างกุญแจไม่มีบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะให้โรงเรียนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะให้หมอห้กรูบาลยารย์เอาไปใช้ในโรงเรียนของเราสิ่งไหนที่มันขาดเหลือขาดตกาบางที่หลังคากระเบื้องสองสาแผ่นมันแตกนก็ไปเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นะ ห, นห้องน้ำห้องน้ําหมืนนะั้